8. จีวระขันธกะ 202. ชีวกะวัตถุว่าด้วยหมอชีวกโกมารพัฒเรื่องคณะกุดุมพีชาวกรุงราชครืพบหญิงงามเมืองชื่ออำพปาลี3า6ีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ณพระเวรุวนสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นกรุงเวสาลีเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตกว้างขวางพ ล, ลเมืองมากมีคนคับคั่งหาข้าวปลาอาหารง่ายมีปราสาท7707เรเรือนยอด7707เจ สวนดอกไม้ 7,707 สระโบกขอรณี 7,707 และมีหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีรูปงามน่าดูน่าชมมีผิวพรรณผุดผ่องอย่างยิ่งเธอชำนาญการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรี คนทั้งหลายที่ต้องการจะพาเธอไปร่วมอภิรมด้วยต้องจ่ายค่าตัวถึงคืนละห้าสิบกะหาปณะนะก็เพราะนางอัมพปาลีนี่แหละที่ทำให้กรุงเวสาลีมีสเสน่ห์และมีความงดงามเป็นพิเศษครั้งนั้นคณะกุดุมพีชาวกรุงราชครืเดินทางไปกรุงเวสาลี ด้วยธุระจาเป็นบางอย่างได้พบเห็นกรุงเวสาลีที่อุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตกว้างขวางพลเมืองมากมีคนคับคั่งหาข้าวปลาอาหารง่ายมีปราสาท7707เรือนยอด7707สวนดอกไม้7707สระโบกขรณี 7707และมีหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีมีรูปงามหน้าดูหน้าชมมีผิวพรรณผุดผ่องอย่างยิ่งเธอชำนาญการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีคนทั้งหลายที่ต้องการจะพาเธอไปร่วมอภิรมด้วยต้องจ่ายค่าตัวถึงคืนละห0กะหาปณะนะ ก็เพราะนางอัมพปาลีนี่แหละที่ทำให้กรุงเวสาลีมีสเสน่ห์และมีความงดงามเป็นพิเศษ327ครั้นคณะกุดุมพีชาวกรุงราชครืเสร็จธุระที่จำเป็นในกรุงเวสาลีแล้วเดินทางกลับมายัางกรุงราชครืเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐ ได้กราบทูลว่าขอเดชะกรุงเวสาลีเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตกว้างขวางพลเมืองมากมีคนคับคั่งหาข้าวปลาอาหารง่ายมีประสาท7707เรือนยอด7707สวนดอกไม้7707สะโบกขรณี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 ก็เพราะนางอัมพปาลีนี่แหละที่ทำให้กรุงเวสาลีมีเสน่ห์และมีความงดงามเป็นพิเศษขอเดชะแม้ชาวเราตั้งตำแหน่งหญิงงามเมืองขึ้นบ้างก็จะเป็นการดีพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐรับสั่งว่าพนายถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงหาเด็กสาวผู้มีความงามอย่างนั้นที่ควรคัดเลือกให้เป็นหญิงงามเมือง